วันนี้เป็นวันเดือนสิบดับเป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันที่22กันยายน49จากนี้ไปสองวันพระก็เป็นวันออกพรรษาของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วก็แทบแๆผ่านไปเร็วมากในความรู้สึกของหลวงพ่อแต่ท้าว่าผู้ใดมีทุกข์ในใจวันคืนเดือนปีผ่านไปช้ามาก เพราะเหตุไรเพราะมีความทุกข์อยู่ในใจจะผ่านไปได้แต่ละวันต้องคิดแล้วคิดอีกทำไมมันผ่านช้าขนาดนี้แต่ถ้าว่าผู้ใดมีความสุขในจิตในใจวันคืนเดือนปีผ่านไปเร็วอย่างคนที่นอนหลับสบายการคืนมันแพรบเดียวสว่างทำไมมันสว่างเร็วนักนอนยังไม่เต็มอิ่มแต่ถ้าว่าวันไหนนอนไปหลับมีการคิดปุงฟุ้งซ่านในคืนนั้นรู้สึกว่า นอนพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนอนไม่หลับคืนนั้นรู้สึกว่าราตียาวนานเมคืนยาวนานมากแปลว่าคืนไหนมีความทุกข์คืนนั้นยาวนานแต่ึงยั ง, ยงไงก็าตามถ้าว่าพวกเราพยายามทําใจของตนเองให้รู้จักการสถานที่ควรปรับปรุงกายวาจาใจของตนเองอย่างไรเข้ากับสถา น, น ก, การณ์ หลวงพ่อว่าไม่มีปัญหาทั้งนั้นแหละสรุปแล้วก็คือรู้จักปล่อยวางอย่างพระเหมือนกันที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเรามีจุดประสงค์อะไรที่เราเข้ามาบวชถึงจะบวชชั่วคราวเราก็ว่าเราบวชมาตามที่เราตกลงไว้แล้วที่ตั้งใจไปแล้วที่พ่อแม่พี่น้องกําหนดให้บวชพอเราเป็นผู้ชาย คงจะได้ลำรงสืบพระพุทธศาสนาเป็นจุดประสงค์ของพ่อแม่มีความมุ่งหวังตั้งแต่เราเกิดมาเมื่อเราเกิดมาทีแรกที่พ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่เข้าวัดเข้าวา่าไปฟังธรรมรักษาศีลเห็นพระสงฆ์บวชหรือเห็นลูกคนอื่นบวชก็มีความตั้งใจอยู่ในใจว่าเออ้าลูกของเราลูกเรียงสาภาวะครบบวชเราจะให้ได้บวชซะก่อน จึงจะให้ทําการทํางานมีครอบมีครัวต่อไปอันนี้คือเป็นจุดประสงค์ของพ่อของแม่ ไ, มได้คิดเอาไว้ได้ตั้งใจเอาไว้แต่ผู้ที่จะบวชถือเป็นลูกชายนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเมื่อใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่หมายมั่นปันมือแล้วก็บอกลูกชายเป็นบางครั้งถ้าจะบอกบ่อยนักก็กลัวลูกชายสเสียอกเสียใจเหมือนกับลูกชายเข้าใจผิดพ่อแม่ เหมือนกับพ่อแม่รังเกียจเดียดสรรอยากจะให้ลูกตัวเองออกไปบวชพ่อแม่ก็ไม่กล้าที่จะพูดบ่อยครั้งนักพูดทีไรก็ต้องมองหน้าลูกชายซะก่อนว่าเต็มใจไหมยินดีไหมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พวกเราทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยตรงพ่อว่าต้องได้คิดอย่างนั้นแต่สําหรับลูกชายแล้วก็คงไม่คิดอะไรมากบางคนก็เออเป็นผู้อ่อนน้อม รู้สึกต่อบุญคุณของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่อยากจะให้บวชอา้าวบวชก็บวชอย่างนี้เพียงแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดจะว่าหวังมกักหวังผลหวังบุญหวังกุศลในจิตในใจนั้นยังไม่มีเพราะเหตุไรเพราะยังไม่ได้รับการศึกษาพอต่อมาพ่อแม่ให้บวชก็บวชเข้ามาอย่างองหลวงตามหาบวัวในชีวประวัติของท่านพวกเราก็คงได้อ่านได้ศึกษา แต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติอ่านพุทธประวัติบ้างอ่านสาวกประวัติสาวกประวัติบ้างจากนั้นก็พยายามฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาเมื่อศึกษาแล้วก็เห็นรูทางว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานั้นท่านเป็นอย่างไรจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ได้เรียนได้ศึกษา จากนั้นจิตก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเ อ, อจากนั้นก็รู้จักคิดทางของตนเองว่าเราจะอยู่ในพุทธศาสนาหรือเราจะออกไปเป็นฆราวาสอย่างไรอันนี้ก็เป็นรู้ทิศทางแหลทีนี้แต่เข้ามาบวชใหม่ๆเราก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะเดินไปทางไหนแต่พอเข้ามาบวชแล้วได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วศึกษาพุทธประวัติอ่านชวประวัติแล้ว แล้วก็ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนธรรมะปฏิบัติให้ฟังเรื่องศีลสมาธิปัญญาจากนั้นตัวเองก็ประพฤติปฏิบัติตามก็ได้รับความสงบปล่มเย็นทางจิตใจจากนั้นก็มีแก่จิตแก่ใจที่จะภาวนาปฏิบัติไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเบื้องต้นเราก็ได้ปลูกฝังมาอย่างนั้นต่อมาแล้วก็เมื่อได้ศึกษาแล้วก็เดินไปตามแนวแถวนั้นที่นี้ชีวิตของพระกรรมฐาน เมื่อบวชเข้ามาแล้วเราควรจะทําตัวอย่างไรตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าชีวิตของพระกรรมฐานชีวิตของพระป่านทําอย่างไรท่านบอกว่าตีสามเตรียมตัวลุกลุกขึ้นมาเขาว่ายพระสวดมนต์ยอ่อหรือพิสดารกระสุดแท้แต่ตัวเองจะกําหนด อรหังสัมมาสัมพุโทโธสวัคคาโตสุปฏิปโนโยโซสวัคคาโตจากนั้นก็กลับเมื่อกลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วแผ่เมตตาอย่าได้ขาดแผ่เมตตาให้แก่ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือทําใจตัวเองกับสรรพสัตว์ทัว่วโลก ให้มีความสุขอย่างที่ตนเองต้องการอันนี้คือเมตตาอยู่ในใจสำหรับพระเมื่อผู้ใดมีเมตตาอยู่ในใจไปณสถานถินนถ่นใดอยู่ณถิ่นใดไม่มีพิษมีภัยไม่มีเวรมีภัยเพราะเราไม่ได้ผูกกรรมทาเวรกับใครๆมีตะลกแผ่เมตตาให้ทุกวิญญาณให้มีความปร่มเย็นเป็นสุขเว้นเสียจะงหวังกล้ำเก่าที่เขาผูกพยาบาทอาคาตไปแล้ว ถึงจะแผลเมตตายอย่างไงที่เราไปทำให้เขาเจ็บช้าน้ำใจเขาก็ผูกพยาบาทอาฆาตเราไว้อยู่เขาจองกรรมจองเวรอันนั้นหนีไม่พ้น เ, เราก็ต้องได้รับกรรมที่เราได้กระทําไว้แก่เข า, เ อ, าอันนี้เรียกว่เวรแต่ถึงยังไงถึงเขาจะมาทําเวรแกเราเราก็ให้โอโหสิว่าข้าพระเจ้าจะไม่จองเวรคืนละ ถึงเขาจะฆ่าเราก็ให้จบจบไปข้าพเจ้าขอใช้นี่กลั่มอิตตนเองได้กระทำแก่เขาข้าพเจ้าจะไม่จองเวรจองกรรมกับเขาอีกอันนี้ก็คือในจิตในใจผู้ที่ประพฤติธปฏิบัติธรรมนะพอไหว้พระแผ่เมตตาเสร็จแล้วจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลในจิตในใจพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ตกทุกข์ยาก ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในอุทิศให้แก่พวกท่านทั้งหลายขอให้ท่านพวกหลายจงเป็นสุขเป็นสุขถ้าผู้ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้มีสุขยิ่งๆงขึ้นไปเพียงแค่นี้เราก็กล่าบเป็นภาษาใจของเรา ถ้าเราท่องอาหารสุกิโตโหมินิจิโหมีอเวโรโหมินไม่ได้นะเพราะเราท่องอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ความหมายถ้าว่ารู้ภาษาใจของเราเนี่ยสงพอว่าจะดีกว่าจากนั้นพวกเราก็นั่งภาวนากําหนดรมนั่งขัดสมาธิการนั่งสมาธิบางทีเรานั่งในกุดมันอับอยู่ในม้งหรือว่ามีผ้ากัน้นผ้าม่านเราก็พยายามเปิดผ้าม่านออกให้มันสว่าง ให้มันโปรง่งให้มันโล่งถ้ามันหนาวเราก็ปิดเอาไว้หรือว่ามันเย็นเกินไปเราก็ผาผ้าหม่มมาหม่มสรุปแล้วก็คือให้มันโปรง่งถ้ามันอยู่ในที่อับจะทําให้เราง่วงเวลานั่งภาวนามันงอกง่วงได้ง่ายแต่ถ้าวันไม่จําเป็นอย่าไปพิงฝาถ้าพิงฝาได้ทําให้เราหลับได้ง่ายเห็นพ่อเห็นนั่นอย่าไปนั่งพิงฝานั่งตัวตรงนั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นเมื่อขาขวาทับขาซ้ายแล้วปรนมมือนึกธธ gentle, ธธ Cond, พุทธโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆคือไหว้โธซะก่อนไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนไหว้พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จบสามจบแล้วเอามือลงจากนั้นก็กำหนดลม ห, ห, หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโท อันนี้คือภาวนาเรานั่งนานขนาดไหนกระสุดแท้แต่อาจจะนั่งเป็นชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงกว่ากระสุดแท้แต่จากนั้นพอเรานั่งเมื่อยแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเออยังไม่สว่างไปจุดเทียนเดินจงกรมวันไหนเดือนไหนเราก็ไปเดินจงกรมสองไฟดูทางเดินจงกรมพอเห็นทางเดินจงกรมถ้ามันมีมดถ้ามันมีมดเดินเป็นซ้ายยกลัวเราจะเหยียบมด เราก็เอากระดาษสีขาวไปวางไว้ตรงที่ทางมดเดินไปถึงที่นั่นเราก็พยายามข้ามจะไปเหยียบมดเพราะงั้นแต่แต่ถ้าว่าเดินไปเดินมาถ้าว่ามดมันหนีไปแล้ว เ, เพราะเราข้ามมันบ่อยๆมันก็หนีเหมือนกันนะมดน ะ, เ, ะเราก็เดินตามปกตินะีอันนี้เมื่อสว่างขึ้นมาแล้วก็นำบาตบริหารมาศาลาจัดบริหาร เ, เรียบร้อยในเวลาแล้วก็ปัดขวาดช่วยหมู่ช่วยคณะจากนั้นก็บินเท่าบาต บิดทบาทก็มาฉันแต่พอมาฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างบาทอะไรแล้วกลับกุฏิกลับกุฏิเสร็จแล้วก็มีอะไรเราจะซักผ้าไหมอาบน้ํำไหมจากนั้นก็เข้าทางเดินยังกลมควางเดินยังกลมเสร็จแล้วก็ น, นั่งภาวนานั่งภาวนาเสร็จแล้วก็ดูหนังสือศึกษาธรรมะวินัยดูหนังสือเสร็จแล้วถ้าว่ามันเหนื่อยก็พักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วเกนินมากอา้าเราจะนั่งต่อหรือเดินยังกลม จากนั้นก็ลงมาฉันน้าฉันน้ําเสร็จแล้วก็เอา้ากลับขึ้นไปถ้ามีเวลาดูหนังสือหรือเดินโยกรมนั่งภาวนาจากนั้นก็ปัดกวาดพอปัดกวาดเช็ดเรียบร้อยลงมาบริเวณศาลาจากนั้นก็ทําความสะอาดบริเวณศาลาเมื่อทําความสะอาดบริเวณศาลาปัดกวาดเช็ดถูศาลาเตรียมเพื่อวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วแล้วก็กลับกุฏิแต่ไม่มีเวลามากแล้วกันขึ้นไปก่ส่งน้ําอาบน้ําอาบเทา เอาทางเดินจงกรมหรือเราจะเดินจงกรมก่อนก็ได้ค่อยมาอาบน้ำก็ไดะจากนั้นก็เดินจงกรมเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งภาวนาพอมานั่งภาวนาถ้ามันยังไม่ง่วงแล้วก็ไปเดินจงกรมอีกอจากนั้นก็เราก็มานั่งอีกสักหน่อยจากนั้นก็ไหว้พระทําวัดเย็นทำวัดเย็นก็อย่างที่เหมือนเราทําวัดเช้านั่นแหละสวากาโตสุปฏิปโนโอนเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล จากนั้นก็พักผ่อนการพักผ่อนของพระกรรมฐานสี่ทุ่มท่านกำหนดให้สี่ทุ่มไม่ให้นอนเร็วกว่านั้นหรือท่านนอนดึกกว่านั้นเพีนเสียแต่มีความจงใจมีความจงใจที่จะนอนดึกก็ไม่ว่ากันเพื่อบำอเพ็ญภาวนาเอานั่งภาวนาให้มากๆมักแต่ถ้าว่าเรานั่งไปแล้วมันเพลียมันเหนื่อยอ่ะพักผ่อนสี่ทุ่มตามปกติพอพักผ่อนนั้นแหละตื่นตีสาม อันนี้ชีวิตประจำวันของพระพระกรรมฐานแต่จะว่าไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้ผลที่ได้นั่นคืออะไรผลที่ได้คือได้ทางจิตใจวันนี้เราภาวนาเป็นยังไงวันนี้อารมณ์ในใจของเราเป็นยังไงเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจของเราเป็นยังไงวันนี้อารมณ์เข้ามากระทบมันเป็นยังไง เวลาเรานั่งภาวนาเป็นยังไงอันนี้คือให้สังเกตตัวเองสําหรับพระอันนี้คือจุดที่เราได้เหมือนเราไปเรียนหนังสือชีวิตประจําวันเราคืออะไรเด็กนักเรียนเราก็ตื่นขึ้นมากล้างหน้าล้างตาแปรงฟันกินข้าวเช็ดตาออกไปเรียนหนังสือและที่นี่ผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้ก็คือได้รับการศึกษาที่ห้องเรียนครูให้การบ้านมาศึกษาอันนั้นคือการได้แต่วิธีการไปนั้น คือหนทางที่จะต้องปฏิบัติตามแนวแถวชีวิตประจําวันเราต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการเป็นอยู่ของพวกเราเราก็เป็นอยู่อย่างทุกวันนี่แนหะเออหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันแต่สิ่งที่ได้นั้นให้พวกเราสังเกตใจของข้าพเจ้าเข้ามาบวชในครั้งนี้หรือเราปฏิบัติมายาวนานบวชมาหลายปีแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงนี่เราให้สังเกตตัวนี้ตัวที่ได้นะไม่ใช่ได้อย่างอื่น ได้ใจของเราใจของเราได้รับความสงบเยือกเย็นมีความสุขจิตใจของเราถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะถึงระดับไหนแล้วเป็นอริยะบุคคลหรือยังเ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะอันนี้คือชีวิตประจำวันของพระแต่ชีวิตประจำวันของญาติโยมอะไรทีนี้ถ้าเป็นชีวิตประจำวันของญาติโยมถ้าให้หลวงพ่อพูดนะแต่หลวงพ่อก็คงจะไม่ใช่โยงหลวงพ่อก็เป็นพระ ถ้าจะให้หลวงพ่อเรียงลําดับว่าชีวิตของญาติโยมนั่นคืออะไรทำอย่างไงก็คงจะไม่แพ้ทางพระเหมือนกันตอนตีสามตีสี่หรือตีสี่ตีห้าลุกมาไหว้พระซะก่อนอย่างน้อยต้องไหว้พระซะก่อนทำวัดเช้าซะก่อนถึงจะมากน้อยก็ต้องทำวัดให้ได้แต่ละวันอย่าให้ขาดเพราะเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทเราทําอย่างอื่นเรายังทําได้ เราทําวัดเช้าหนาที10นาทีไม่ได้เหรอจากนั้นก็นั่งภาวนาหนาทีได้ไหมตั้งนาฬิกาดูก็ได้หนาทีถึงสิบนาทีพุโทโธพุโทโธพุโทโธทําในใจเพราะคารวาะมันมีเรื่องราวที่จะต้องจัดต้องทำํำจากนั้นก็ลุกมาทํากิจกรรมหนึ่งข้าวเป่าไฟทำอ้อหงอาหารอันนี้คือชีวิตประจําวันของญาติโยมจากนั้นกระทากิจการงาน ไปทำการทํางานธรรมาหาเลี้ยงชีพแต่ถึงยังไงก็ตามการทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ต้องสําเนียกสํานึกไว้อยู่เสมอว่าข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธข้าพเจ้าเป็นพุท ธ, ธรรมามะกะการกระทําสิ่งไหนการคิดสิ่งไหนการพูดสิ่งไหนเราควรจะสํารวมควรจะระวังไม่ให้มันกระทบตนเองผู้อื่นไม่ให้เดือดร้อนคนอื่น เ, เราต้องสําเนียกสํานึกไว้อยู่เสมอ จากนั้นก็เราควรจะศึกษาอะไรควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องการเรื่องงานเราก็ทําเพื่อหาสัมมาชีพเลี้ยงชีพของเราอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมันความขยันอรคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานของตนเองอย่าให้ขาดตกบกพร่องสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตกัลยาณมิตรตา คบเพื่อนที่ดีงามไม่คบคนชั่วคนเลวแไม่คบคนที่ขายยาปะยามาไม่คบคนที่สายกันชายาฝิ่นมังันแหละแหคบคนดีอันนี้ก็คือชีวิตของคารวาตัตจากนั้นก็มีคราวาตัตธรรมประจำใจด้วยแคราวาตัตธรรมประจำใจคืออะไรแหมสัจจะให้มีความซื่อสัต์ต่อการให้มีสัจจะคือความจริงใจต่อกันอย่าไปพูดแบบโกหกหายสัจจะไม่ได้ ถ้าคนไม่มีสัจจะพบไม่ได้เไม่น่าไว้ใจคนขาดสัจจะถ้าคนมีสัจจะแล้วพูดยังไงเป็นอย่างนั้นรับคําเขามาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําเขาถ้าว่าปฏิบัติไม่ได้ก็รีบไปบอกเขาว่าปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นอันนี้เพราะว่าคนเราให้มีสัจจะธรรมะให้รู้จักข่มกิจของตนคนเราบางทีก็โมโหโโโฉโกธารักโกรธโกรธหลงมันมีอยู่ในใจ แต่พยายามข่มใจเอาไว้อย่าให้มันออกนอกลูก่นอกทางพยายามข่มใจเอาไว้เนี่ยได้ว่าธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนขันติให้มีความอดทนในหน้าที่การงานในที่ทุกสถานเวลามีเรื่องมีเราเกิดขึ้นในพ่อเจ้าบ้านแม่เจ้าบ้านต่อลูกหลานญาติพี่น้องเราก็ต้องมีขันติคือความอดทนอดทนอดกลั้นในหน้าที่การงาน สิงไหนไม่อยากจะทําแต่เพรเกิดคุณค่ามีประโยชน์เราอดทนทําให้มันจบๆให้มันชิ้นๆไปอมาให้มันมีเรื่องไม่ให้มันมีเราให้การงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราพรื่นอันนี้ปรบอกขันติคือความอดทนยาคะให้รู้จักเสียสละรู้จักทําบุญทําทานให้รู้จักปฏิบัติบิดามารดาของตนเองคนเรามันต้องมียาคะคือการเสียสละเสียสละให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ฝูง ให้หมูหมากาไก่ล้วนแล้วแตเป็นการเสียสละทั้งนั้นแหละให้ข้าวให้น้ําแก่สัตว์เป็นจาคะเพราะนั้นจิตใจของเราให้มีจิตใจกว้างขวางเออมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอบอ้อมอารีเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงแบ่งปันให้เขาเท่าที่จะแบ่งปันได้อันนี้แปลว่าให้มีจาคะถ้าพวกเรามีจาคะมีครวัฒธรรมทั้งสีประการอยู่ในตัวของพวกเราพวกเราก็จะ สงบ พ, พรมเย็นเป็นุกได้นะสัจจะธรรมะขันติจากะจากนั้นก็ชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าว่าผู้สูงอายุแล้วลูกเต่าพอจะช่วยไม้ช่วยมือได้แล้วหลงพ่อว่าควรจะมีศีลห้าประจำตัวเองถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็จะไปทำเถ อ, อะฮะอดเอาไว้ให้รู้จักการเดินทางของชีวิตของพวกเรา พวกเราจะต้องเดินทางไกลอีกต่อไปอีกภายภาคหน้าควรจะหาสเสบียงเตรียมการเอาไว้ที่จะเดินทางเพราะเมื่อน้อยหนุ่มเราก็ทําหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างศีลธรรมเราก็ไม่ได้คํานึงค่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรเราก็ทําไปหมดแต่มาถึงจุดนี้เมื่อสูงอายุขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะวางแผนชีวิตของตัวเราอย่าเห็นแก่ปากอย่าเห็นแก่ท้องกินอะไรก็กินไปเถอะนะ กินพอยังชีพให้เป็นไปได้ให้อยู่ได้แต่หน้าที่การงานอย่างอื่นการทำมาหาเลี้ยงชีพยอย่างอื่นการทำมาค้าขายอย่างอื่นการโสแสแวงหาทรัพย์อย่างอื่นเราทำที่ไม่ผิดศีลแลธรรมไม่ผิดศีลห้าแต่ศีลห้าเนี่ยเราพยายามพยายามลดพยายามละไว้ดีเมื่ออายุสูงอายุขึ้นมาแล้วอย่าให้มืดมาแล้วมืดไปมืดมาก็คืออะไรตโมตะมะประรายโนตโมตะมะคือสมัยเป็นเด็ก เราก็ไม่ได้สนใจเรื่องไฟธรรมะตลอดเมื่อเท่าเกียรชลาเราก็ไม่ได้สนใจไฟธรรมะอีกอันนี้ไปว่ามืดมาแล้วก็มืดไปท้าว่าพวกเราตโมตะมะปรายโญโชติเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มตโมตะมะไใครๆบอกมืดเราไม่ได้สนใจ แต่พอเมื่อสูงอายุขึ้นมาเราได้เข้าวัดเขาวารักษาศีลได้ฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ได้ฟังเทปซีดีได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติเรารู้แนวทางแล้วเราก็โชติเพืว่าให้สว่างไปอย่าให้มืดไป น, นะให้สว่างคือตั้งตนตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจ สิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะไม่สมเราก็งดเป็นซะอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสรุปแล้วก็คือให้มีสินห้าข้อให้มากที่สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องหรือที่แรกก็ให้รักษาศินหนึ่งต่อมารักษาสินสองต่อมารักษาศินสามต่อมารักษาสินสีต่อมารักษาสินห้ า, าหรือเราจะรักษาข้อใดข้อหนึ่งที่มันไม่จําเป็นเอาข้าพเจ้าจะรักษาสินข้อที่ห้าข้าพเจ้าจะรักษาข้อที่สาม ข้าไปเจ้ารักษาข้อที่สองข้าไปเจ้าจะรักษาข้อที่4ข้าไปเจ้าจะรักษาข้อที่1นึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะถึงจะไม่ได้ทีเดียวถึงห้าข้อได้ทีละข้อละข้อละข้อต่อไปเราก็เป็นผู้มีศีลครบทั้งห้าข้อบริบูรณ์เมื่ออายุเท่าแก่ชรามาแล้วจิตใจของเราก็จะมีหลักมีความร่มเย็นมีความเชื่อมั่นในตนเองนี่หลวงพ่อว่าชีวิตของฆรวาส อย่างพวกเราญาติโยมทั้งหลายควรจะคิดอย่างนี้แต่นี้พอชีวิตประจําวันพอทํามาหาเลี้ยงชีพคําหลับนอนมาอา้าวว่ายพระจากนั่งกันั่งภนะาวนาสักน้อยห้านาทีสิบนาทีซะก่อนจงค่อยพักผ่อนอ น, นี่หลวงพ่อว่าหาหลักให้แก่จิตใจแต่พวกเราทําอย่างนี้ได้หลวงพ่อว่าทุกๆกคนจะมีความสงบพร้มเย็นเป็นสุขให้เราคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเนี่ย ไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะจะต้องจากโรกนี้ไปล้มหายตายจากแน่นอนอย่าไปลุ่มอย่าไปรักอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงออจนไม่ลืมหูลืมตามันก็ไม่ถูกเอค า, าว่าหาทรัพย์สมบัติกหาจนไม่รู้ตัวเองจะล้มจะตายตายแล้วไม่เห็นใครมีเงินพกใส่กระเป๋าไปได้สักคนตายแล้วก็ต่างคนต่างทิ้งกระดูกตัวเองกระทิ้งไว้ในเมนนั่นอะ่ะเอาไปด้วยไม่ได้ มีแต่ใจเท่านั้นเองแหละที่เป็นผู้ไปสู่ปารโลกภายภาคหนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ให้ดีวางแผนชีวิตของตนเองไว้ให้ดีแต่ถ้าว่าพวกเราไม่คิดทวงหน้าไม่คิดถอยหลังไม่คิดไม่มองคนอื่นเนี่ที่เขาเป็นมาที่เขาตายไปที่เขาตายไปเคตายเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นเราคงจะตายอย่างที่เขานั่นแหละไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเราคิดได้อย่างนี้ ชีวิตของเราก็จะไม่ประมาทความไม่ประมาทคือความไม่นอนใจหรือว่าความเป็นผู้เตรียมพร้อมคนที่เตรียมพร้อมจะได้เปรียบกว่าบุคคลที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายนั่นคือคนไม่เตรียมพร้อมเนี่ยพอมาถึงวันนั้นเข้ามาทุลักทุเลตุปัตตูเปจิตใจไม่มีหลักมีแต่ความกลัวตายอย่างเดียวถึงข่าวนั้นเขามา่คุณ เขาให้กินขี้หมาคือกินได้เหมือนกันเพราะกลัวตายาแต่ตามไม่กินกินขี้หมาเขาไม่หายแล้วแต่ว่าเขาบอกหลอกให้กินก็กินได้เพราะกลัวตายเพราะคนไม่มีหลักใจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าคนที่มีหลักใจแล้วไม่เป็นอย่างนั้นถึงขาวแล้วเหรอหมอรักษ า, าไม่หายแล้วเหรอถ้าไม่หายก็ตายถักไหมจะทายังไงได้เกิดมาตายคนที่เกิดมาก่อนของเราเขาตายให้เราเห็นอยู่แล้ว เราจะไม่ตายเหรอถึงข้าวของเรากะเรามีกรรมมาเพียงแท่นี้กรรมดีของเรามาเพียงแค่นี้เราคงจะจบเพียงแค่นี้มันปล่อยวางในจิตในใจจิตใจห้าวหารอาถฐานะ์จิตใจที่ได้ฝึกฝนดีแล้วต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกท่านนะอันนี้คือการวางแผนชีวิตหลวงพ่อมีแต่ว่าแนแนวถ้าหลวงพ่อเป็นอย่างศรัทธาญาติโยม หลวงพ่อจะคิดทําอย่างนั้นว่างั้นเถอะแต่พวกเราท่านทั้งหลายนานาจิตต่างนานาทัศนะอาจจะมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันโอ้ยจะไปทําได้ยังไงหลวงพ่อนอนอยู่ในวัดก็ใช่ละไอก็คิดอย่างนั้นแหละสิแต่มันจะทําได้ยังไงอันนี้ก็สุดแท้แต่พวกเราจะคิดแต่พวกเราคิดหลวงพ่อพูดก็ น, น่าฟังเหมือนกันถึงจะปฏิบัติไม่ได้ทุกกระเบียดนิ้วแต่ก็เป็นแนวทางชีวิตประจํำวันของพวกเราน่าจะ ทำได้เป็นบางกรณีเป็นบางอย่างสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่ว่าเป็นเส้นบรรทัดเป็นเขียนตุกตาเขียนเป็นตุกตาให้พวกเราได้สังเกตให้พวกเราได้ดูให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติตามหรือบางโคนอาจจะทำให้ยิ่งกว่านะ่นะทำให้ยิ่งกว่าที่ตุกตาที่หลวงพ่อเขียนทุกวันพระรักษาอุโบสถแล้วก็นั่งภาวนาทุกคืนไม่ได้ขาดนั่งมาละสองสามชั่วโมงอย่างนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อย เพท่านพวกเราทุกๆ ท, ท่านญาติโยมทุกคนนะให้ตั้งอกตั้งใจอันนี้แปลว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีอย่างพระกรรมฐานพระทุโรง์กรรมฐานเี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาเดินป่าลงพงไผ่ไม่ต้องพูดองค์อื่นน่ะเอาหลวงพ่อเนี่ยนะอ่หลวงพ่อในสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มมาอยู่ที่บ้านตากได้หกเจ็ดปี จากนั้นองค์หลวงตาท่านก็บอกว่าเออยทาอินถ้าจะว่าไปออกไปภาวนาก็จะออกไปก็ไปได้นะคือท่านแนะแนวทางจากนั้นเราก็เอ้เราจะออกไปภาวนาที่ไหนเพราะเราจะไม่เคยนะเลยจากนั้นก็หลวงพ่อก็เดินมาทุรงมาจะมาแถบนี้แหละที่แรกกันเนี่ยเดินจากบ้านนาเกนออกมาก็มาบ้านผือได้ยินว่าบ้านผือเป็นป่ารงพงไพ จากนั่นก็มาพักบ้านนาเกนจากนั้นขึ้นหลังเขาเลยบ้านนาหลวงจากนั้นก็ขึ้นถู่ย่าอูอ่จากนั้นก็เดินลัดเข้ามาหาบ้านสว่างปากลางเนี่ยแหละจากนั้นก็เดินลัดเข้ามานาคําน้อยไปภูเขาผูก้อนเดินออกไปมีแต่เดินทั้งนั้น่สมัยก่อนไม่มีทางรถเหมือนกันแะนี่แหละวิธีการทีดดดดด่รียหลวงพ่อกลัวไหมมาอยู่ในป่ากลัวกลัวมากแต่ว่าไปในสถานที่ใดกลัว สถานที่นั้นจะภาวนาดีในที่กลัวกลัวมันใจมันอยู่กับตัวเองเนลยเอ้ใจมันอยู่กับตัวเองใจมันไม่ออกนอกเพราะว่ามันกลัวตายพุโทโธพุโทโธพุโทพโธก้าวเดินที่ไหนพุโทโธอยู่ตลอดพระสติอยู่กับตัวเองเพราะมันกลัวไอ้ขึ้นไปหลังภูยะอู่สมัยนั้นคนยังไม่มีขนาดรอยวัวป่าก็ยังมีอยู่วะนันมีรอยมีกัดต้นไม้ไปเห็นเอ้ขนาดกลางวันสักแสนเก้งยังร้อง อแล้วกนกอะไรที่มันร้องจึกเจือนะน่ะมันร้องกลางวันสมัยก่อนเราก็เป็นเด็กเราก็ไม่เคยได้ยินนกชนิดนี้ร้องกลางวันที่มันอยู่หลังภูย่าอุม่มหรืมันไกลจากคู่คนมันร้องกลางวันเลยเกลางวันแจ๊คแสบน่ะร้องใกล้ๆทาตัวเองอยู่ด้วยเราเออแล้วที่นี้กลางคืนไม่ให้มันกลัวได้ยังไงพรอยู่องค์เดียวห่างจากบ้านทั้งสามสี่ห้ากิโลใครจะมาช่วยเรา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะอยู่ยังไงกินยังไงเ อ, อเจ็บท้องปวดศีรษะเราจะทํำยังไงถ้าเราที่จะคิดไปแล้วมันคิดไปจีบพาธาร้อยแปดมงั้นเะแต่เรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตายเป็นตายมั่งั้นเถะเอออยู่ที่ไหนจะไม่ตายตายหมดนะ่ะอยู่กับหมออยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนกับฝูงถึงข่าวมาแล้วมันเอามาอยู่ทั้งนั้นแหละเนี่ยเราจะไปกลัวมันทำใหม่ไง แต่ที่แรกจะคิดอย่างนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็กลัวกลัวมันก็บังคับให้อยู่ยงบบนั้นภาวนาจิตสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้ก็คือวิธีการที่ท่านออกธุดงป่าดงพงไปสมัยนั้นก็ยิ่งกว่าสมัยหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อมมาออกธุดงไม่มีเสือไดแต่มันเสือมันหมดแล้วมีติตรเสือผ่านไปผ่านมาท่ตนเองไม่เหมือนเสือสมัยก่อน เสือสมัยก่อนอย่างที่กูบายจานที่ท่านบอกกล่าวนั้นมันร้องหากันพอตกกลางคืนตอนค่าเสือตะวั้นก็ร้องเสือตัว น, นี้ก็รออ้องอมันร้องหากันเหมือนนขวนคางหากันแต่ยุค ข, ของหลวงพ่อี่เสือนะันไม่มีแนละ้วมีก็แบบหลบๆส่อนๆเหมือนกันแต่ไม่ออกนอกหน้านอกตาแต่ถามเขาว่ามีอยู่แต่ไม่ใช่เสือใหญ่แต่ไม่ใช่เสือกินคนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่กลัวเรื่องเสือเหมือนกั น, น แต่ว่ากลัวผีอย่างนั้นแต่กลัวผีโนอไม่รู้จะทํายังไงอแต่เราก็ภาวนาสติอยู่กับตัวเองเนี่แหละการเดินทุกองแต่มาครั้งหนึ่งมาครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อหายกลัวนะคือหายกลัวคือมันกล้าแต่ก่อนพอไปก็กลัวอยู่งั้นแต่ก็อยู่ได้เอแต่มันก็กลัวอยู่มันไม่หายกลัวงั้นแต่เรามาอยู่เนี่ยมาอยู่ทา ห่างไกลจากหมู่บ้านสี่ห้ากิโลอย่างที่ว่าเนี่ยนะเขาว่าตัวเนี่ยผีดู่นะชาวบ้านเขาบอกเขาก็ไม่พูดแล้วนะเขาก็ะซิบกระซาบนั้นเขาก็เห็นว่าเรายังน้อยยังหนุ่มอยู่แล้วออกมาทุ่งรงเนี่ยจะอยู่ได้เหรือ อ, อยู่ในป่าอลูบล้างบอบบางอีกต่างหากสมัยก่อนหลวงพ่อไม่อ้วนอย่างนี้นะหัวโตๆใช่หรืโคงเค่งใช่หรืตัวข า, ขาวๆใช่หรือสีดใช่หรืเน่ยฉันจะอยู่ได้เหรื อ, อในป่าเนี่ยเขาวา่างนั้น ตอนนี้เขาก็พาขึ้นไปเราขอเ อ, อ้ที่ไหนที่น่าอยู่เขาก็ขึ้นไปขึ้นไปเราก็เป็นร้านเล็กๆอยู่ในถ้ำแล้วก็มีไม้ฝากฝากับฟ า, างปุบปุบป่าๆว่าั้นแหละก็มีทางเดินยังโกรมด้วยโปโลโ ค, โคเข่งว่างั้นนะเราก็มาจัดใหม่จากนั้นเราก็มาปัดกวาดบองวางบริขารเตรียมพร้อมแต่เวลาอาบน้ำลงมาอาบข้างล่างเดินขึ้นไปโอ้ถ้าเป็นหน้าร้อนนึงคงไม่ไหวแต่เนี่ยช่วงนั้นเป็นหน้าหนาว ลงมาอาบน้ำํำเ่ยขึ้นไปพอเหงื่อแตกเพราะมันชันมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงลงวันละครั้งขึ้นไปแต่เช้าบินบา่าวลงมาแล้วก็ฉันตีนเขาพอฉันเสร็จแล้วก็เตรียมน้ําขึ้นไปน้ำํำดื่มมืดไปแล้วก็ตอนเย็นลงมาอาบอาบเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอยู่องคเดียวอต่ทีนี้เมื่ออยู่ที่นั่นพออยู่วันแรกเราก็ไม่ได้เดินเลาะเรียบที่ไหนอยู่ที่นั่นมันเป็นเครือข่ายของถ้าถ้ามันยาวไป ทางทิศตะวันออกพอเรามาอยู่วันหนึ่งวันที่สองเราก็เดินเดินดูอเป็นถ้ายาวตัวนะเราก็เดินไปเดินไปที่ไหนได้เห็นพระพุทธรูปปว ก, กัดปวกกินมันงั้นแต่บางทีก็ยังแขนบั ง, บงยังศีรษะบางังยังอกบงังเป็นพระพุทธรูปไม้เนี่เยอะยะแต่ปว ก, กินแต่เขาติดทองนะทองสีเหลืองยังติดอยู่โอ้ทองเขายังติดได้ดีอย่างนั้นทองเปลวนะติดพระพุทธรูปแต่ไม่เป็นองค์แล้ว่ะ ที่เป็นองค์เขาคงจะเอาไปขายกันหมดแล้วว่างั้นะทีนี้ไปเห็นบาทบาทโอ้บาทใหญ่มากถ้าว่าบาทของเราเนี่ยมุดเข้าในบาทโบราณได้เลยว่างั้นเถอะเออแต่ไม่รู้คนโบราณจะใหญ่ขนาดไหนไม่รู้หอว่างั้นะแต่บาทโอ้แต่ยังเหลือแต่ขอบมันขอบปากมันเพราะมันเหล็กหนาแต่ก้นเข้ามาเนี่ยไปว่าปุปากผูพังหมดแล้วอันนี้เราก็ไปเห็น แต่ในเราไปเห็นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะดีใจได้เราตึ๊ ก, กลวยต่างหากทูตรงนี้ไม่ใช่อื่นกายมันคงเป็นวัดวาเป็นวัดเก่าแก่เออพวกผีพวกอะไรคงจะเต็มอยู่ในนี่แหละเราคิดว่านะเราคิดถึงกัวภูมิมะลูกคะว่างั้นเถอะในนี้ยคนโบราณก็คงจะมาอยู่ในถ้ำนี่เห็นของวัตถุโบราณเนี่ยคนคงอยู่แถวนี้แหละว่แล้วก็เดินเลาะไปองเดียวในป่าเออมันอยู่ในที่สูง พอเดินดูดูเสร็จแล้วล้วก็กลับมามาคืนที่สามแล้วเราก็ไหว้พระอย่างที่ว่าเนนะ่ะเดินจมกรมเสร็จเรียบร้อยจุดเทียนเดินเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาก็ไหว้พระอารางสัมมาสัพพุโตทสวะข้าโตสุปนุเจ้าท่าน ก, ก็สวดพระปริศตั้งแต่พุทธังธรรมังสังคังโยจะกุมาโมหะสัมพุทเทตวีสัจะนมโมตอเสวนาะกรณนยเปตสูตรอัปมาโนพุทโธ จากนัก็สวดไปเรื่อยสวดวิปัสสิทธ์ว่าจากนั้นก็ ส, ว, ส, ว, ว, ส, กกส ว, วดโพดชงจนจบพระปริศต์ือามันอมีคาถาที่สวดหมดเฉพาะปยู่ใหม่เลยมันกลัวด้วยจะได้สวดจบแล้วเรากน็นั่งภาวนาตัาง้งจิตอธิษฐานอย่างที่ว่า น, ะนั่งภาวนาก็ยกมือไหว้พุโทพ โ, ทโทธธรรมโสังโคอะไรกันภาวนาพุทโธพุทโธพิจารณาร่างกายสังขารของเราเป็นของใหม่เที่ยงแท้แน่นอน ตั้งแต่หัวจุดเท้ามันมีอะไรบ้างเกสาผมโลมาขนณนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเราไล่เลียงดูแล้วร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเอออันนี้คือคือพิจารณาให้ใจของเรายอมรับให้เห็นตามความเป็นจริงว่าธาตุสีดินน้ำลมไฟของเราเนี่ยแตกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเ อ, อจากนั้นเมื่อเราพิจารณาดูจิตก็กสงบ จิตใจก็สบายพอสมควรเหมือนกนแต่มันไม่ได้คิดอย่างอื่ น, นลเลยมันกลัวผีอ่ะอยู่องค์เดียวเงียบยิ่งกว่าเงียบอีกพอนอนลงไปได้ยินแ like ต่เสียงแมลงจากนั้นก็ได้ยิน dog. แต่เสียงหายใจตัวเองฟอดแฟดฟอดแฟดใบไม้ตกใบเดียวประกอบแบบประกอแบบก็ได้ยินเหมือนนแตฮะเพราะมันอยู่ในที่สงบจริงๆเหมือนกันแตนั่งพอเสร็จแล้วแล้วก็นอนนอนก็ประมาณสักสี่ทุ่มนอนตะแคงขวาเลย คือพระไปอยู่ในป่านรงพงศ์ภยการนับนอนจะไม่นอนแบบไม่มีสติพระจโยนห่มเสร็จแล้วก็นอนเหยียดขาตะแคงขวาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธองั้นเถอะพราะมันง่วงมก็หลับไปดีใช่ไหมพอหลับไปสี่พอเคลิ้มๆอย่างนั้นเถอะเหมือนกับคนตัวบ้าใหญ่ทะมึนอย่างนั้นเถอะในความรู้สึกมือหนึ่งเหมือนกับปีกล้วยงาวย่างงั้นแหะนิ้วมืออ่างนั้นมาขยําปุ๊บ เราต้อนอนตะแคงขวาใช่ไหมมันก็ปุ๊บกำหัวใจเราเลยว่างั้นเถอะขย่ําตรงหัวใจขย่ําปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาทั้งหลับทั้งตื่นเลยว่างั้นเถอะอันนี้จะว่าฝันก็ใช่นะจะว่าละเมอก็ใช่จะว่าผีอำก็ใช่ว่างั้นเถอะแต่ลักกันย่างไงใครเข้ามันคิดอะไรไม่ออกแต่ว่ารู้สึกว่ามีคนมือมักใหญ่มากำหัวใจว่างั้นเราก็ตั้งตังลุกอย่างแรงว่างั้นเถอะลุกมานั่งลุกนั่นขึ้นมาแล้วทีนี้ มันกลัวเหมือนกันอหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่เต้นตุบๆธรรมดาเลมันรัวเหมือนกับนั่นเลยมันเร็วเหมือนกนเถอะเออเออหัวใจหัวใจมันกลัวเหมอนเถอะหัวใจเต้นเร็วถึงขนาดนั้นเหมนเถอะมันรัวเลยโอ้ลุกขึ้นมานั่งยังมีหน้าถามตัวเองอีกต่างหากเลกลัวไหมผู้นว่ถามตัวเองมันกลัวอะไรซี่เหมืนกันตอบตัวเองนะกลัวอะไรพู้นว่าเด้ มันก็กลัวผีแล้วกันแล้วมันก็นมีถามขึามา้นมาอีกเลยถ้ากลัวผีกลัวทําไมกลัวผีกลัวผีมาฆ่าแล้วถ้าผีไม่ฆ่าแล้วตายไหมมันถามไปแล้วผีไม่ฆ่าก็ตายเหมือนกันเออไม่มีใครที่จะอยู่ได้ผีไม่ฆ่าก็ตายผีฆ่าก็ตายคนฆ่าก็ตายคนไม่ฆ่าก็ตายเออเพราะเกิดมาตายอยู่แล้วถ้าเกิดมาตายอยู่แล้วไม่จะกลัวไปทําไมผีฆ่าก็ฆ่าเพื่อตาย เออคนฆ่าก็ฆ่าเพื่อตายจะกลัวทำไมจะไปอยู่ที่ไหนได้ที่จะไม่ตายฮะอว่าอะไรโอ้โหความกล้าหาญขึ้นมาเลยเงินเออผมพองสยองก้าวขึ้นข่ามันไม่กลัวเลยแต่นี่เอาจะฆ่ามาฆ่าเลยฆ่าได้แต่กลายนฆ่าใจไม่ได้หรอกเนี่ยมันอาจหานขึ้นมาความกลัวเนยหายเหมือนปิดทิ้งเลยในขณะนั้น จะนั่งนั่งภาวนาสักพักใหญ่เท่าไหร่ใจตัวเองมั่นคงเหมือนกันเถอะไม่กลัวมันจะมาท่าไหนก็มาเถอะมันจะฆ่าก็ฆ่าเถอะน ะ, เ, ออะเราขอมอบกายถาวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีล่ะเราไม่ได้มาเพื่อหวังทรัพย์ในดินสินในน้ํานะเราไม่ได้มามุ่งหวังอย่างอื่นนะเรามาที่นี่เรามาเพื่อจะชําระกิเลสเรามาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิด เราไม่ได้มุ่งหวังอะไรทั้งหมดในโลกเรามีแต่หวังพ้นทุกข์ในวัตฏะสงสารตามอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมาข้าพเจ้ามาภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์หาแหล่งสงบเพื่อหามักหาผลเท่านั้นเองไม่ได้หาอย่างอื่นข้าพเจ้าไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ได้มุ่งหวังทรัพย์ในดินสินในน้ําบริเวณนี้ขอให้ผู้ใดก็ตามผู้บิน ญ, ญาณใดก็ตามเข้าใจกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้หวังอย่างัข้าพเจ้าหวังพ้นทุกนะถามว่าภูใดก็ตามบินยาณใดก็ตามยิ่มาเบียดเบียนข้าพเจ้าเอาเลยข้าพเจ้าไม่ได้ห่วงอะไรในชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในวัตะสงสารก็แล้วกันเจากนั้นพอนั่งภาวนาเหนื่อยนอนเนี่ยนอนอนก็หลับดีนะตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยมีอะไรอีกว่างั้นะจากนั้นไปอยู่ณสถานที่ใดความกลัวก็มีอยู่แต่ว่า มันมีอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละแอบคล้ายกับว่ามันไปล ก, กลัวไปทําไมมันถามตัวเองอย่างนั้นล ก, กลัวอะไรทําไมลกลัวตายเหรออยู่ที่ไหนจะไม่ตายพอถามคํานี้ขึ้นมาทีไรความกลัวเนะมันหายไปทุกั น, นถึงจะไม่หายปิดทิ้งกับเจือญจางไปแบบนั้นแหละเพราะว่าสติปัญญาของเราทันมันนะทันความกลัวว่านั้นแนหะ ออกจากนั้นไปกับไปภาวานาที่ไห น, ไหนที่ไห น, ไหนกับอยูไปเรื่อยอยู่ไปได้แบบงั้นเถอะไอ้ความกลัวนั่นก็หายไปนี่แหละชีวิตของพระกรรมาฐานเป็นอย่างไงเวลาเดินทุดงไปหรือว่าไปเที่ยวทุดงเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักญาติโยมมาก่อนบางทีเราไปเขามีศรัทธาเขาก็ใส่อาหารให้บักใส่อะไรให้บักมีเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นแต่ละวันกลับมาถึงที่เราเอาชันเพราะชั้นได้เอาภาวานาต่อ เรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญเรื่องอาหารการบริโภคเราไม่ได้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมียังไงก็ใช้ไปกินไปมีข้าวเป่าแบบชั้นข้าวเปล่ า, ลามีอะไรก็ทานอันนั้นนี่แหละบางทีไปหมู่บ้านบางหมู่บ้านเขาจงแสดงอากับกิริยาไม่ดีให้เราได้เห็นอีกเขาว่าพระมันมาอย่างไงมาอยู่เพื่ออะไร บางทีเขาก็พูดแบบสัตย์สัจเสียเสียโดยมากพวกทิศพวกยานที่เคยบวชมาก่อนนั่นนะอให้คชาววันรู้เรื่องของพระไม่จริงเหมือนกันแต่เขาก็หาว่าพระนมาหลอกชาวบ้านหรืออะไรในลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ตามไม่จริงเราก็นานาจิตตังนานาทัศนะความคิดของเขาเราจะทำอย่างไงได้เราไม่ได้มุ่หวังอะไรเราก็ภาวนาของเราเราก็ไม่ใช่วันจะมาอยู่กับเขาช่วงฟ้าดินสลายอะไรเรามาเพื่อปฏิบัติเอาเถอะ เราก็ไม่ได้เบียดเบียนเขาพีต่ตอนเราเดินบิณฑบาตใครจะให้ก็ให้ไม่ให้เราก็ไม่ว่าอะไรมีอะไรแล้วก็ฉันไปอันนี้คือชีวิตประจําวันของพระกรรมฐานเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องพูดมันน่ะคิดโอ้ทาว่าข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บท้องปวดที่สะแล้วเราจะทํำยังไงถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องเที่ยวป่าไม่ต้องภาวนาในป่าแต่ถ้าว่าเราไปอย่างนั้นแปลว่าเสียสละ มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อศีล ธ, ธรรมต่อคุณธรรมตายก็ยอมตายถ้ามีโอกาสที่จะต้องตายวันนั้นถึงขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ไปภาวนาในป่าดงพงไพ่ต้องเสียสละ ถ, ถึงขนาดนั้นพราะนั้นพ่แม่ครูบาอาจารย์ยุคก่อนสมัยก่อนยิ่งกว่ายุคของเราอีกยุคของเราในบ้านเมืองก็เจริญขึ้นมาแล้วสัตว์สารสิงห์ที่เป็นช้างเป็นเสือเป็นอะไร ก่อนรู้สึกว่าล่อยหล่อลงไปแล้วยังเหลือแต่พวกหมีพวกอะไรก็ยังพอมีอยู่เราก็มาภาวนาสุปแล้วก็คือมันกลัวอยู่ในใจของเรานั่นแหละไอ้ความกลัวนะมันฝังอยู่ในจิตในใจของพวกเรามนุษย์ของเรามันเป็นอย่างนั้นแต่เราเอาชนะมันไม่ได้มันก็หลอกเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราเอาชนะมันได้ก็ยังเนี่ยที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยนะ เ, เมื่อไปอยู่นะัมันกลัวอะไร คราวนั้นแปลว่าตัดความกลัวได้ถึงเยอะแยะเลยว่างั้นแถอะตัดความกลัวออกเป็นกระบุงกระบุงเลยว่างั้นเถอะเออแต่มันก็ยังไม่หมดนะนก็ยังมีอยู่แต่ก็รู้สึกเบาบางลงไปมากว่างั้นเถอะพอมันโยนถึงความตายแล้วพอโยนถึงความตายแล้วนี้มันก็หยุดเพียงแค่นั้นเถอะกลัวไม่กลัวก็ตายใช่ไหมเนี่ยมันจะกลัวไปเพื่ออะไรเนะ น, นี่ยนี้แหละสําหรับพระกรรมฐานเข้าป่าดงพงไปไม่ใช่ว่าท่านไม่กลัวนะ ท่านก็กลัวท่านก็มีเนื้อมีหนังมีจิตมีใจของกับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ะแอลท่านก็ไปอยู่ในป่าดงพงไพ่ออย่างที่มาอยู่ที่นี่ก็เถอะมาอยู่ใหม่ๆหมมาอยู่ด้วยความยากลํบาบากยังไม่มีใครรู้จักถนนทุนทางก็ยังไม่มีอแต่ก็อยู่ในป่าดงภาวนาก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นวัดเป็นวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยแหละอันนี้ก็คือการเริ่มต้นในการเป็นอยู่ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่พูดเพื่ออย่างอื่นพูดให้เป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราไปอยู่ณนะสถานทิ่นใดให้ระลึกไว้อยู่เสมอชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนจบลงเพียงแค่ตายแต่ถ้าว่าตายลงไปแล้วถ้าเราไม่มีศีลธรรมเราทํากลําชั่วเราตายแบบเปล่าประโยชน์ แต่ถ้าว่าเราตายด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรอบรู้ก่อนที่จะตายเราได้คิดดีไว้แล้วได้ทําดีไว้แล้วตายไปก็ไม่เสียเที่ยวเสียทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไอ้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งภาวนาเลยนะพุทธโธพุทธโธอย่างที่ว่านกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีสติ ให้ที่จะติอย่างเข้มงวดขวดขันอย่าสง่งจิตไปทางอื่นให้พุโทโธพุโทโธจากนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบพอประมาณนะกับพิจารณาดูนึกดูร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุสีก็คื อ, ค อ, คอดินคือกระดูกของแข็งเป็นธาตุดินธาตุน้ํำกับน้ําเลือดน้ําปัสสวะที่อยู่ในร่างกายพวกไขมันต่างๆ อันนี้น้ำลมกระลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องลมในลําไส้ลมในช่องว่างของร่างกายในนธาตุลมธาตุไฟไฟคือคือทําร่างกายให้อบอุ่นในร่างกายของเรามีธาตุสีเผาอาหารให้ย่อยที่มันร้อนก็เพราะธาตุไฟมีอยู่ถ้าคนตายไปแล้วธาตุไฟมันดับไปร่างกายพอเย็นเสียบคนตายในธาตุไฟไปก่อนพอธาตุไฟไปแล้วจากนั้นก็ธาตุลม ถึงธาตุลมจะหมดไปแต่มันอยู่ในกระเพาะมันอยู่ในท้องยังมีอยู่พอมันเน่ามันเปื่อยลงไปธาตุน้ำก็ซึมซับลงไปในดินยังเหลือแต่ธาตุดินสรุปแล้วก็คือธาตุไฟไปก่อนธาตุลมไปที่สองธาตุน้ําไปที่สามธาตุดินไปที่สี่ในร่างกายของเราถ้าว่าไม่เผาไม่ฝังนะ่ะมันก็นั่นแหละลักษณะอย่างนั้นขึ้นอืดนะ่ะตัวดําปีเหมือนเปราะตอตะโกนะ ดํำปีตัวแรกจากนั้นก็นั่นเปลี่ยนสีต่อมากับเน่าเปื่อยผุพังไปตามอัตภาพร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกคู่ทุกคนเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นชีวิตของเราถึงจะทนุถนอมขนาดไหนจะหาสิ่งเงินคําทรัพย์สมบัติมาปนปื้อขนาดไหนในร่างกายของเราคนนีน้ถึงจุดจบสักวันหนึ่งไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพวกเราจะไปไว้ใจกับร่างกายของเราจนเกินไป มันก็ไม่ถูกนะเราต้องคิดอ่านหน้าอ่านหลังคิดทบทวนคิดพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเอาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้มีศีลให้มีธรรมใจของเรามีหลักมีศีลมีธรรมแล้วความสงบพรมเย็นเป็นสุขเกิดพบหน้าชาติหน้าบุญกุศลก็เกือ้อกูลหนุนไปเกิดในสติที่ดีกติที่สูงเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเรามีอุปนิสัยก็ไม่ลุ่มไม่หลง ไม่หลงมัวเมาจากนั้นก็สั่งสมคุณงามความดีสืบทอดไปเรื่อยด้วยอันเนิ่สงศรีษานภาวนาของพวกเราแต่ถาาว่าพวกเรามีแต่ทํามาหาเลี้ยงชีพกินเสษปากเสษท้องเป็ น, นวันๆไปมันก็ไม่แพ้สัตว์สาลาสิงเมื่อกันแต่แหมวัวควายสั้งมา้าหมูหมาเป็ดไก่ตื่นมามันก็หากินเสษปากเศ่ท้องผลสุดเก้เาขยายพผุ่์ของมันผลสุด ต, ตายไปเกิดมาอีกถาาว่าพวกเราไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรม อยู่ในจิตในใจการเป็นอยู่ธาตุสีของเรากเหมือนกับสัตว์ที่ฉารทั่วไปเพราะนั้นพวกเราเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพบบัณฑิตนักปราชญ์นักปราชญ์คืออะไรนักปราชญ์บัณฑิตก็คือศีลห้าศีลแปที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนนะล่ะบัณฑิตนักปราชญ์ให้พวกเราเขอบพบและก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอน พวกเราจะได้รับแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขน ะ, อ, ะอย่าไว้ใจในชีวิตจนเกินไปเพราะนั้นเมื่อพุกวันพระควรจะรักษาศีลหรืออยู่ในบ้านออกพรรษาแล้วอย่างนอ้อยก็ไหว้พระสวดมนต์มีศีลห้าไปจำตัวไว้ถ้าไม่ได้วันพระรักษาศีลห้าใดไหมพราะเราก็รู้เรื่องของศีลอยู่แล้วรักษาศีลห้าทุกวันพระแปรข้ามสิบห้า หรือไม่ลืมจนเกินไปไหวพระสวดมนต์หรือนั่งภาวนากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสำหรับศรัทธาญาติโยมสำหรับฝ่ายพระพระสงองค์ข้าเจ้าที่มาบวชในพุทธศาสนามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ชั้นในนะเป็นพระที่บวชมานานตั้งอกตั้งใจพิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจสี่ พิจารณาอยู่เสมอสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนะจากนั้นกับพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาดูกายดูใจของเราการภาวนาไม่ใช่ให้ดูที่อื่นนะดูกายก็ดูใจเท่านั้นเมื่อดูกายแล้วเมื่อมันเห็นกายแล้วมปนของไม่เที่ยงแล้วใจมันจะไปยึดถือได้อย่างไงเออนั้นกับน้ําอันนั้นก็ลมอันนั้นกับไฟอันนั้นกับสุภาอันนั้นกัปฏิกูลผลในสุดอีกสักวันหนึ่ง กระดูกแข้งกไ็นน μα, กกไปส่วนหนึ่งกระดูกขาก็ไปส่วนหนึ่งกระดูกฟันกระูกไปส่วนหนึ่งกระดูกศีรษะก็ไปส่วนหนึ่งกระจุยกระจายไปใจของเราจะไปให้ความสําคัญว่าอันนั้นเป็นของเราใช่ไหมที่ได้ยินเนี่ยไม่จริงใช่ไหมไม่ควรจะปฏิเสธจากนั้นมันจริงอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าตายไปแล้วไม่ฝังไม่เผามันต้องกระจายอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเกระโหลกศีรษะก็ไปทางหนึ่งฟันก็ไปทางหนึ่งของนั้นเลยกระดูกแข้งกระดูกขาเนี่ยกระจุยกระจายไป หมากัดสัตว์แทะทำมาอย่างนั้นกันนะั่นแหละเป็นโครงกระดูกอย่างนั้นถึงยังไงอีกสักวันหนึ่งฝนตกขึ้นมาแบบดินขึ้นมาเกาะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นใจของเราเน่ะจะไปให้ความสําคัญในร่างกายจนเกินไปนปนเปื้อมันเกินไปหาเงินทรัพย์สมบัติจนไม่ลืมหูลืมตาจนเกินไปมันก็เป็นโง่อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเอลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไป เพราะนั้นพวกเราจะได้เป็นอย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจจิตใจก็ปล่อยวางดูใจของตนเองดูที่ใจทีนี้มันคิดไปทางไหนมันไปทางโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะมันจะเห็นอยู่ในใจของเรามันดิ้นอยู่ในใจของเราในเมื่อเห็นอยู่ในใจนั้น ใจของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราอีกทล้วเนี่ยเออเอาธรรมะอนัตตาพุ่มลงไปใจก็ไม่ใช่เรามันยังหลุกกลิกหลุดหลึกใจที่เป็นอนิจจังอยู่นี่จะเป็นใจเราได้ยังไงพระพุทธเจ้าตบอกว่าใจที่ไม่เที่ยงเนี่ไม่ใช่ของเราเออใจอนิจจังใจทุกขังใจอนัตตาใจอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปฏิเสธกระทั้งใจตัวเองความรู้สึกนึกคิด ของตัวเองให้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของเราอันไหนทนต่อการพิสูจน์เมื่อเราปล่อยวางหมดแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนั่นแหละตัวที่นอกเหนือจากสมบุติทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละความบริสุทธิ์ไม่ยึดไม่เกาะไม่ติดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหะคือความบริสุทธิ์ออกมาจากไหนความฉลาดออกมาจากความโง่ที่ตัวไม่รูนะ้เมื่อเรียนรู้แล้วมันก็ฉลาดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้งว่าเราปฏิบัติไปแล้ว ความพ้นทุกข์ก็ออกมาจากความทุกข์นั่นแหละอหมมันออกมาจากตัวนั้นเมื่อรู้แจ้งเห็นจีนเมื่อกะถอดออกมาจากตัวนั้นเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมามันไม่ใช่ออกมาจากที่ไหนความพ้นทุกข์มันอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจมันมีที่อื่นนะพอานั้นธรรมะปฏิบัติจะไปมองที่อื่นที่อื่นก็เป็นแนวทางเท่านั้นเองแต่ช่องที่ออกจริงๆช่องที่จะหลุดพ้นจริงๆให้ดูที่ใจนะ เอถ้าว่าไปดูที่ใจเนี่ยไม่รู้จักต้นตอของมันเราจะหาที่ไหนมรรคผลนิพานหาไปเถอะหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าหาที่จิตที่ใจแล้วหาที่ตัวผู้รู้นั้นตัวนึกคิดนั่นแหะอยู่ที่นั่นแหละพยายามดูตัวนี้ให้มากอแต่าวันเราดูบ่อยๆดูมากเกินไปมันก็จะเบลอไปอีกล่ะเหมือนกับมีดเราก็ต้องไปฝึกหัดซ้อมกับทา่าดันทา่าสีซะก่อนพิจารณาทาาสีซ้อมซะก่อน พอซ้อมเสร็จแล้วพอมีดมันคมขันเข้ามากลับอีกเสือนตัวนี้อีกพิจารณาตัวนี้อีกมันทำไม่ทำไมมันไม่ปล่อยไม่วางทำไมมันรู้แจง้งเห็นจริงพอพิจารณาดูแล้วมันเบอร์อีกอกลับไปอีกไปรับมีดอีกพิจารณากายอีก เ, อเมื่อพิจารณากายแล้วมันยังจับกายไม่ได้เอาเข้าสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีสติเมื่อสติของเราดีแล้ว จิตของเราสงบดีแล้วเป็นพื้นฐานมาพิจารณากายในเมื่อพิจารณากายแล้วจะได้ย้อนมาดูใจอีกนี่แหละ ว, วิธีการพิจารณาสรุปแล้วก็คือสมาธิปัญญาแล้วก็ดูเข้ามาตัวใจคือตัวผู้รู้ถ้าจะรู้จริงๆเนี่ยปล่อยวางที่ใจนะธรรมะอนัตตานะ่แหละที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของพวกเรา ที่จะกระเทาะเปลือกมเมล็ดข้าวออกได้นี่นะเออธรรมะอนัตตาเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้จะพูดหลายเรื่องหลายราวออชีวิตของพระที่มาบวชควรทําทตัวอย่างไรหลวงพ่อก็ได้เรียงตามลําดับให้ฟังชีวิตของพระธรรมาฐานชีวิตของนักบวชที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสัง่งสอนทําตัวอย่างไรจากนั้นหลวงพ่อก็เอามาเปรียบเทียบกับชีวิตของครวญญาติโยม ถ้าว่าพระวัตดญาติโยรรมทำด่างที่หลวงพ่อได้กล่าวตื่นนอนมาทํำยังไงชีวิตประจําวันทํำยังไงให้มีศีลห้าศีลอุโบสถอย่ามืดมาและมืดไปมืดมาและให้สว่างไปถ้าสว่างมาสว่างไปก็ยิ่งดีแต่โดยมากไปเป็นอย่างนั้นสมัยเป็นน้อยเป็นหนุกเราก็ต้องมืดมาล่ะแต่อย่าให้มืดไปให้สว่างไปจากนั้นหลวงพ่อก็นี้ชีวิตของพระ ท่านอยู่ในป่าดงพงไผ่ท่านสู้ขนาดไหนหลวงพ่อเล่าความเป็นมาของหลวงพ่อให้ฟังอการที่พูดเล่าให้ฟังไม่ใช่หลวงพ่ออวดนะหลวงพ่ออวดได้ยังไงหลวงพ่อขี้กลัวผีอย่างที่ว่านั่นนะไปอวดได้ยังไงเนี่ยนว่าขายขี้เถินตัวเองก็ไม่น่าจะผิดว่างั้นเถอะพอเพราะเหตุไรมันกลัวจริงๆนะ่ะออแล้วก็วิธีการปฏิบัติกับความกลัวนธรรทอย่างไรนี่พวกท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วบางทีอาจจะใช้ ความกลัวหรือว่าใช้วิธีการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อประสบมาเราจะมาพิจารณาในตัวพวกเราท่านทั้งหลายอาจจะหายความกลัวไปก็ได้น่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวทางปฏิบัติให้แก่พวกเราทุกๆ ท, ท่านและการสรุปแล้วก็คือให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทธาตุาสี่ดินน้ำลมไฟจะต้องแตกจากใจของเราแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเรา ให้เตรียมพร้อมอ่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าเป็นไปได้ให้เดินถู่มรรคผลนิพพานให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอระหันต์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเป็นบรมสุขของพวกเรานะนวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวเพราะเป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่แต่นี้ต่อไปนั่งภาวนานะานั่ง